วันนี้เป็น <c oughs> วันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมาก <c oughs> โดยมีศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ายุราพรนวารัยรัก ท่านจะเด็กมาเป็นประธานในงานอันเป็นมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราทางด้านทางบ้านเมืองก็มีท่านนายกรัฐมนตรีและท่านาผู้ว่ากท ม, มพร้อมคณะได้มาร่วมงานด้วยความพลื่มปีติ พี่น้องชาวไทยที่ได้เริ่มงานนี้ขึ้นมาสำหรับหลวงตาเองก่กอนที่จะชี้แจงอัธรรมประการใดนั้นหรืองขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยชั่วกันด้วยโดยภาษาป่าและภาษาธรรม <c oughs> เข้าในาเมืองหลวงในกรุงเทพเรา อาจจะมีการขัดในความรู้สึกของพี่น้องทั้งหลายที่เคยในภาษาทางสังคมมาแล้ว <c oughs> ไม่มากก็น้อยนเนี่เงขอเยียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่า <c oughs> หนึ่งภาษาป่าสองภาษาของธรรม มักจะพูดแบบตรงไปตรงมาและพูดแบบตรงไปตรงมาไม่มีแง่งอนสิ่งใดหรือว่าภัรั่วเพราะพิงอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีมีแต่ความจริงล้นล้วนที่แสดงออกไปว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกแสดงตามหลักความจริงล้นล้วนไปเลยนี่ท่านเรียกว่า ภาษาของธรรมภาษาของโลกมีหลายสันพันขมไพรละเพราะพิ้งนิ่มนวลอ่อนหวานแต่สำหรับความจริงนั้นจะมีมากน้อยเพียงใดไม่อาจทราบได้สำหรับภาษาของธรรมแล้วเป็นเรียกว่าตรงไปตรงมาเป็นภาษาอย่างนี้มาดั้งเดิมท่านผู้ยังไม่เคย ในภาษาศาสตว์สนาภาษาของธรรมที่ท่านใช้ออกมาตามหลักความจริงนั้นยึงรู้สึกจะแสลงหูอยู่บ้างเพียงขอภัยจากบรรดาพี่น้องต่างหลายไว้นาบัดนี้ด้วยหากภาษาของป่าและภาษาของธรรมไม่สะดวกในทางจิตใจโดยประการใดก็ดี วันนี้หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามมาโดยทางธาตุขันไม่ค่อยอำนวยแต่สำหรับทางด้านจิตใจนั้นมีความ <c oughs> ห่วงใยเมตตาสงสารพี่น้องชาวไทยของเราเป็นอย่างมากไม่มีอะไรบกบางเลยทางด้านธรรมะภายในใจิตใจสำหรับร่างกายนั้นอ่อนเพีย การเทศนาว่าการก็ไม่ค่อยเต็มเม่เต็มหน่วยหลงหลงหืมือจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าจึงหวังว่าจะรับครมามภัยจากพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกัน <c oughs> เพราะไวัยได้แก่สังขารร่างกายนี้เป็นเครื่องใช้สำหรับงานต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งงานของธรมต้องนำ ธาตุขันนี้ออกมาแสดงอย่างที่แสดงอยู่เวลานี้ก็ใช้เสียงใช้กำลังวังชาซึ่งเป็นเรื่องของธาตุของขันรวน่นรุ่นที่ขึ้นอยู่กับความชลาคร่ำคราตลอดไปสำหรับธรรมนั้นไม่มีคำว่าชลาคร่ำคราเป็นธรรมที่สม่ำเสมอคองเส้นคงวาหน า, นานแน่นตลอดมานี่เรียกว่าธรรม ใจไม่มีวัยสำหรับร่างกายนั้นมีวัยใจไม่มีวัยใจจึงสามารถบรรจุธรรมไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสมอต้นเสมอปลายไม่ไม่มีเอมีเอียงชลาคํำคาเหมือนธาตุเหมือนขันจึงได้เรียนให้บรรดาพี่น้องทางหลาได้ทราบโดยทั่วกัน และการแสดงธรรมนี้ก็จะแสดงไปอย่างตรงไปตรงมาตามหลักธรรมที่ได้ปฏิบัติมาโดยลำดับตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหากขัดข้อมประการใดก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันกันด้วยวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อพี่น้องชาวไทยกันทั้งชาติ ที่จะมาแสดงทมให้พี่น้องทางหลายทราบโดยทั่วกันตามกำลังแห่งวัยและอัตธรรมที่ควรจะแสดงหนักเบาเมื่อมากน้อยเพียงไรเพื่อท่านผู้ฟังซึ่งมีความเลือมล้ำต่ำสูงต่างกันในความรู้สึกสำหรับธรรมนั้นเป็น ทำมีหลายขั้นหลายภูมิสําหรับจิตใจที่จะรับธรรมได้ประเภทต่างๆก็มีหลายขั้นหลายภูมิเหมือนกัน <c oughs> ในบนตนืต้นการเทศนาว่าการในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการช่วยชาติบ้านเมืองของเราบ้านเมืองของเราจะมีความปึกแผ่นมั่นคงขึ้นมาย่อมอาศัยพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเป็นผู้รักชาติสงวนชาติของตน แล้วก็มีความเสียสละเพื่อบำรุงรักษาชาติไทยของเราวันนี้พี่น้องทั้งหลายก็ได้มาประกาศความจัดกอกทินออกจากความรักาตาคือการเสียสละมีทองคำดอลล่าเงินสดเต็มกําลังความสามารถของทุกๆกานที่นำมาบริจาคออกมาอยู่ในท่ามกลางสนามคือสนามหลวงในวันนี้ นี่แสดงออกมาจากน้ำใจแห่งท่านผู้รักชาติของเราทั้งหลายมาเป็นเครื่องประกาศให้ชาติไทยของเราทราบด้วยชาติอื่นๆซึ่งเขามีหูมีตาเขาก็มีเสาะสแสวงที่จะทราบเรื่องราวแห่งชาติไทยของเราด้วยว่าเมืองไทยวันนี้ <c oughs> มีการ มีพิธีอันใหญ่หลวงขึ้นใน่้ำกลางแห่งสนามหลวงเหล่านี้โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสเสด็จมาเป็นประธานและเป็นล้มโพล่มใสของพวกเราการแสดงออกอย่างนี้เรียกว่าแสดงออกทั่วประเทศไทยมารวมอยู่ที่จุดกลางแห่งเดียวคือพุทธมณฑลแห่งสนามหลวงของเรา นี่การที่เมืองไทยของเราจะมีความน้อยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความยิ่งแย่แก่ใส่แก่คนไทยเราและเมือง น, นอกนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการเสียสลัไม่เพียงขึ้นอยู่กับคนมารวมกันในสนามหลวงนี้เป็นจำนวนมาก แต่ต้องขึ้นอยู่ในวัตถุประสงค์ที่ชาติไทยของเราทั้งสิ้นต้องการได้แก่ความเสียสละเช่นทองคำดอนล่าเงินสดนี่คือหัวใจแห่งประเทศแฝงชาติไทยของเราเราควรจะได้สิ่งเหล่านี้มาออกสนามเพื่อเป็นที่ชื่น อ, อกชื่งใจแก่เราผู้เป็นเจ้าของของประเทศ <c oughs> และเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของชาวต่างชาติเมือง น, นอกวัง น, นาเขามีหูมีตาจะได้พบได้เห็นแล้วมีความอนุโมทนาสาธุการอย่าให้มีตั้งแต่ชื่อแต่นามว่าเมืองไทยช่วยชาติช่วยชาติตับแต่คำพูดจยางนั้นใครก็พูดได้ต้องถึงพร้อมด้วยการเสียสละการบำรุงรักษา ต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างบำรุงรักษาแล้วสแสดงออกมาในถ้ำในถ้ำกลางแห่ ง, ง น, นี้นี่เป็นที่มงคลทั้งแก่ชาติไทยของเราทั้งแกกคนเมืองนอกเมืองนาที่ไหนก็ทราบทั่วถึงกันนี่เป็นความมุ่งหมายแห่งความจริงที่ชาติไทยของเราได้ประกาศตนออกมาช่วยชาติในคราวนี้ หลงตามีความขอบคุณและอัตโนมัตนากับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากที่พร้อมกันมาสละทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองเข้าของตามเกิดตามมีจากความรักชาติของตนนิรชาติของเราจะอยู่ได้ด้วยความรักชาติเป็นอันดับหนึ่งด้วยความเสียสละเพื่อชาติไทยของเราเป็นอันดับต่อไป และจากนั้นที่เราจะบำรุงรักษาชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวของเราการปฏิบัติตัวนี้ก็ต้องมีสิ่งที่พาให้ดำเนินแม่มีเข็มทิศทางเดินอันถูกทางที่จะเป็นเครื่องนาหรือชี้บอกแนวทางในการประพฤติตัวแก่พวกเราทั้งหลาย <c oughs> นี่เวลานี้ชาติไทยของเราก็เป็นชาติแห่งชาวพุทธโดยสมบูรณ์อยู่แล้วจึงควรจะนำอัตธรรมที่เป็นาศาสนธรรมของพระบุติเจ้าซึ่งเคยสอนโลกให้รับความล่มเย็นเป็นสุขแน่นหนามั่นคงตลอดมานับตั้งแต่เทวบุตรมนุษย์เทวุรเทวดาอินทร์ทรมทั้งหลายซึ่งวนแล้วตั้งแต่ได้รับ พระโอวาทคำสอนจากพระพุทธเจ้าที่ทรงโปรดปรานด้วยมาจนกระทาั่งบัดนี้จึงควรนําธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติตนเพื่อความดีงามตั้งแต่ตัวของเราแต่ละลายละลายให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติระมัดระวังรักษาตัวให้ถูกแนวทางของพระพุทธเจา้าที่เรียกว่ า, าศาสนาธรรมที่ทรงสั่สอนไว้แล้วโดยถูกต้อง แล้วนำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อตนครอบครัวสังคมส่วนรวมทั่วๆไปโดยความมีธรรมะเป็นเครื่องชี้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัวการปฏิบัติตัวนั้นส่วนมากจะมีฝ่ายต่ำแทรกอยู่ภายในจิตใจให้เองเอียงหรือถูกถูกไถไปตามมันจนได้จนถึงกับทําคนให้เสียคน แล้วก็ไล้ค่าไล้ราคาสักว่าเป็นมนุษย์อย่างนี้ใช้ไม่ได้เราจึงควรมีแนวทางอันถูกต้องดีนามสมกับเราเป็นชาวพุทธนำไปปฏิบัตินำทาไปปฏิบัติเราไม่ต้องเอามากมายอะไรนักแหละทาที่จำเป็นซึ่งพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้สำหรับพราวาสทั่วๆไปนั่น ก็สอนไว้พอดีพองามการประพฤติตัวให้มีขอเบเขตผลมีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องประกันตัวการอยู่ขอให้อยู่ด้วยความพอดีเพียงพอหรือพอเพียงอย่าอยู่ด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่เหิมคึกกระนองน้ําล้นสั่งน้ําล้นสั่งนี้ได้แต่กิเลสตัณหาความ ไม่มีเมืองคอเป็นน้ำล้นฝั่งเสมอไปได้เท่าไร่ไม่พอกินเท่าไรไม่พอใช้เท่าไรไม่พอนี่เรียกว่าน้ำล้นฝั่งจากความประพฤติของผู้ใดย่อมทําผู้นั้นให้เสียผนได้แล้วก็มีความทุกข์ความลำบากในภายหลังตลอดไปท่านจึงสอนให้มี ความประหยัดในความเป็นอยูู่้วายของเราทุกคนอย่าอยู่ด้วยความฟุ้งเฟ้อเขิมถือเอาอิฐเอาปูนเอาทรายเอาเหล็กเอาเหล็กเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดดับชื่อเสียงให้เป็นความสวยงามดีเด่นอย่างนี้ไม่ใช่ทางความดีเด่นความสวยงามอยู่กับความประหยัดความประหยัดนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย ซึ่งไม่รู้จักประมาณนั่นๆมากมายอขอให้ถือความประหยัดนี้เป็นทรัพสมบัติอันลนค่าที่จะครอมบุคคลให้มีความแน่นหนามั่นคงมีหลักใจเราจะเป็นไปด้วยความฟุมงเฟอเ้อเหเหิมนี่เรียกว่าการอยู่การอยู่นั้นอยู่ไหนเราอยู่ได้ทั้งนั้นขอเราปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมีขอเขตตามสิ่ธรรม จะทุกข์จะจนจาะโง่จะฉลาดก็คือคนมีหลักมีเกณฑมีศีลมีธรรมคนที่มีความสุขนั่นแหละถ้ามีหลักมีอัตมีธรรมแล้วย่อมมีความสุขได้หากปราศจากอัตธรรมเสียอย่างเดียวมีเงินล้นฟ้าก็หาความสุขไม่ได้แล้วสมหวังเงินทองที่มีล้นฟ้าโดยหาขอบเขตหาประมาณที่ได้มาจาก ความโลคมากกินมากคช้มากนี่กลับมาเป็นปืนเป็นไฟเขาไม่เราเสียเองสุดท้ายสมบัติเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากกลับกลายมาเป็นยาพิษเขาขานจิตใจของเราเพราะฉะนั้น้รงขอให้ถือศีลธรรมเป็นหลักสมบัติอันใหญ่หลวงภายในตัวของเราจะทำอะไรให้พึงคำหนึ่งถึงศีลธรรมเสมอ อย่าคิดเอาตั้งแต่ความอยากความทยเทยอทะยานความไม่เพียงพอในหัวใจนั่นคือน้ำล้นฝั่งสำหรับกิเลสแล้วมีความผิวหวยตลอดเวลาจะไ ม, ม่วันใดที่จะกิเลสจะพอโลอาโลให้มีความพอดิบพอดีส่งความสุขความเจริญไว้อย่างนี้ไม่มี มีตั้งแต่น้ำล้นสั่งเพื่อนำไฟมาเผาหัวอกของเรานั่นแหละท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณนี่เรียกว่าปฏิบัติตามศีลตามธรรมการอยู่ก็อยู่ให้พอดิพอดีให้ขินชิดถึงคาดหน้าการหน้าการหลังเวลาเรามาเกิดในมนุษย์นี้เราก็มานหาาในหามหอปรรส า, าทราชบุเทียนมาเกิด เราก็มาเกิดด้วยบุญด้วยกรรมของเราจึงตกแต่ตัวเองไม่ได้ทุกทุกรายไปหากว่าเราปราศจากบุญกรรมบุญกรรมไม่มีความหมายอย่างใดแล้วมีความหมายเฉพาะความต้องตามเท่าเราอยากเกิดเราจะเกิดที่ไหนเราก็เกิดได้อย่าว่าจะมาเกิดว้มนุษย์ เกิดเป็นเ ท, ทวดาอินทร์พรหมองกรทั้งถึงมูตุทอนถึงปณิพานเราก็ได้ตามความหวังที่เราอยากแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นเวมันเป็นมาด้วยอำนาจแห่งตําคำว่าตํานั้นเป็นกลางๆลากรรมดีกรรมชั่วผู้ทํากรรมชั่วได้รับความลําบากลําวนไปถือปฏิธิธิญญาณในสถานที่ใด <c oughs> เรกเขามีกรรมอันดีเรามีความสมัครใจใคร่ต่อกำชั่วประจำนิสัยแล้วเวลาไปเกิดจะไปตกแต่งให้เกิดในสถานที่นั้นที่นี่ไม่ได้ย่อมไปเกิดในสถานที่ที่ไม่พึงปรารถนาเ <c oughs> ช่นท่านแสดงไว้ว่าไปตกนระกหมกไหมเหล่านี้เป็นต้นนี่คือกรรมพามาเกิด อย่างเราทั้งหลายที่มาเกิดและพร้อมรังนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ลานี้ <c oughs> เราก็เกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมของเราทุกคนจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นตัดปินญญพลขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งกรรมที่เราทำมาถ้ากรรมทาชั่ว ผลที่สแสดงออกมาในกำเนิดเกิดพบหน้าต่อไปก็ต้องเป็นกรรมชั่วเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นสันนรกตรงกระทั่งถึงตกนรกหมดไม่เหล่านี้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมซึ่งใครก็ไม่ต้องการอยากพบกันแล้วเช่นมนุษย์อย่างเราก็มีรูปร่างกลางตัวเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่นิจจลิทนิสยัยอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะแกงภายในได้ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีกรรมชั่วมีหนักเบามากน้อยเพียงไรกรรมดีมีมากน้อยเพียงไรต้องขึ้นอยู่กับกรรมเวลามาเกิดเราตกแต่งเอาไม่ได้แม่ที่สุดตั้งแต่พ่อกับแม่เราซึ่งเป็นสถานที่หรือแดนเกิด แห่งเราทั้งหลายที่เกิดมานี้ก็ตกแต่งอะไ่ได้ย่อมเป็นอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราทุกคนทุกคนเพราะฉะนั้นพ ร, ระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เชื่อกรรมให้ระมัดระวังในกรรมคำว่ากรรมนี้เป็นก ร, รกลางได้แก่การกระทำการกระทำชั่วเรียกว่าทำบาปทำกรรมชั่วทำกรรมดีเรียกว่าทำบุญทำกุศล เิ็นทานนี่เรียกว่ากรรมดีผลทั้งสองประเภทนี้จะไม่ถิดติดอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งใดทั้งนั้นนอกจากใจซึ่งเป็นฐานที่ก่อเหตุทั้งดีทั้งชั่วนี้ให้เกิดขึ้นกับตนแล้วปรากฏผลเป็นความสุขความทุกข์มากน้อยขึ้นมาจากผู้ที่ทํากรรมดีกรรมชั่วนี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่เหมือนกันแม้แต่พ่อแม่ สองคนมีลูกกี่คนลูกเหล่านั้นจะไม่เหมือนกันเลยรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนจิตนิสัยก็ไม่เหมือนความโง่ความฉลาดผิวนิสัยดีชั่วต่างๆไม่เหมือนกันนี <c> ่ <oughs> ขึ้นอยู่กับแกนนําได้จากหัวใจที่เคยนเป็นนิสัยสั่งสมความชั่วความดีมามากน้อยกาแรแสดงออกของลูกแต่ละคนละคนจึงไม่เหมือนกัน นี่ท่านเรียกว่าเกิดมาด้วยอานาจแห่งกรรมกรรมนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดไม่มีอะไรเหนือกรรมโลกอันนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกรรมท่านแสดงไว้ในบาลีว่านักธีกรรมะส ม, สมังพลังไม่มีอิทธิพลใดที่จะเหนืออิทธิพลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้ใครทําก็ทําได้เวลาทำ ก็มีอำนาจทำได้ทั้งชั่วทั้งดีทำให้สมใจก็ทำได้ทำชั่วแต่เวลาผลที่เกิดขึ้นมานั้นมันจะป้งกันข้ามมันจะไม่สมใจจะตำหนิติดโทษกรรมของตัวแล้วก็ตำหนิสักแต่ว่าตำหนิไปเปล่าๆเพราะเราได้ทำกรรมชั่วลงไปแล้วจำต้องยอมรับผลชั่วของตนนี่ท่านเรียกว่ากรรมให้ผล เรามีอำนาจทำกรรมแต่เวลาทำลงไปแล้วกรรมย่อมมีอำนาจบังคับเราถ้าเป็นความชั่วก็บังคับให้เกิดความทุกข์ความลำบากลมบนเกิดใม่พบใดชาติใดมีแต่พบชาติที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เป็นหลักธรรมาชาติของสัตว์ที่เกิดตายด้วยอานาจแข่งกรนมฝ่ายดีก็เช่นเดียวกันเราทำความดีแล้ว ถึงจะไม่ปาดันนะความดีพบชาติก็เป็นของดีสำหรับเราเช่นอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีคุณนธรรมมีสมบัติวัะสถานมากเกิดขึ้นมาด้วยความชอบธรรมเป็นสง่าราศีแก่ตัวเองและครอบครัวเรือนตลอดส่วนรวมจนกระทั่งถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้มีคุณธรรมประจาใจ ไปที่ไหนคนเคารพนับถือกราบไหว้บูชานี่เพราะอำนาจแห่งกรรมดีของตนที่สร้างมาแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วก็เด้มาเป็นใหญ่เป็นโตทรงอำนาจวัฒนาปุญญาพิสมภานให้พี่น้องทั้งหลายบรรดาที่อยู่ร่วมกันได้พึ่งบารมีของตนนี่เพราะอำนาจแห่งกรรมดีของผู้ทานี่เรียกว่ากรรมดีก็ มีอำนาจมากสำหรับที่จะส่งเสริมผู้ที่ทำกาดีนั้นให้ไปเกิดในสถานที่ต้องการหรือเกิดสฐานที่ถึงหวังได้ทมของพระพุทธเจ้าจึงชี้เด็ดขาดลงไปที่กรรมการแปลว่าการกระทาคำดีทําชั่วเรียกว่าการกระทามีกระทาชั่วผลที่เกิดขึ้นมาเป็นความสุขความทุกข์ เรียกว่าวิบากกรรมจะต้องเกิดขึ้นที่จิตใจของสัตว์โลกผู้ที่ทำลงไปไม่มีสถานที่อื่นใดที่จะสถิตหรือที่อยู่ของกรรมดีกรรมชั่วมีจิตใจ น, นี้เป็นของสำคัญเกิดที่จิตใจเพราะใจเป็นผู้ทำกรรมดีกรรมชั่ว เวลาตายลงไปธาตุขันเขาไม่มีบาปมีบุญไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่ตกนรกอเวกีขึ้นสวรรค์ชั้นโถมที่ไหนแต่เป็นเรื่องของใจผู้เป็นนักท่องเที่ยวในพกธาตุต่างๆเรื่อยมานี่เท่านั้นะเแ็นผู้เสวยกรรมของตนที่ทำลงไปทั้งดีและทั่วจึงขอให้พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธให้สนหนัก แน่นในเรื่องของกรรมเราอย่าเชื่อความอยากความทะเยอทะยานความยมราฏวาสนาใหญ่โตกว้างขวาขงนี่มาบีบบังคับกรรมไม่ให้เกิดผลแก่ตนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ขอให้เชื่อกรรมตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าตอนที่จะนมาตรสลุกก็ทรงบำเพ็ญ บุญญาบารมีนี่เรียกว่ากรรมดีเรื่อยมาจนถึงขั้นเต็มภูมิควรเป็นศัตวราแล้วก็จะมาตรัสรู้ธรรมเมื่อตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วเรียกว่ารู้แจง้งแทงตลอดไปทั่วถึงภูเพนิวาสวสานุทิติยานการเกิดต า, ตายของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใด นับไม่ได้ด้วยกันเกิดมากี่กับกี่การเกิดแล้วตายเราสูงสูงต่ำต่ำลุ่มๆุมดอนดอ น, ดอนไปเกิดเป็นนรกเป็นจัดนรกหมกไหมเช่นเราทั้งหลายนี้การนับไม่ได้ขึ้นสวรรค์ขั้นสูแล้วลงมาก็นับไม่ได้โจนกระทั่งบําเพ็ญพระบารมีได้ตัดสัตว์รู้แล้วทําเรียบร้อยแล้ว ยึงทรงพิจารณาย้อนหลังถึงพบชาติที่เรียกวุ่ฒเทนิวาสานุสติยาขวามลึกชาติย้อนหลังของความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นนับไม่ช่วนเลยไม่ทราบว่าเคยเกิดมากีกับกี่กันเพราะฉะนั้นการเกิดตายของสรรโลกจึงไม่ควรที่จะเอามาแข่งขันกัน เพราะต่างคนต่างเกิดต่างตายด้วยกันเพราะอำนาจแข่งกรรมดีกรรมชั่วหมุนเวียนให้พาไปเกิดในถึงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนๆอนเรื่อยมาอย่างนี้อย่างเราทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็ทราบแต่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายสองนั้นแต่เราหาทราบได้ไหมว่าอะไรพาให้เรามาเกิด เราี่นนามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์เวลานี้ความเป็นอยู่ของเราที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่มั่นใจของเราคืออะไรเราก็อมองไม่เห็นแต่เรื่องความอยากความทะเยอทยานซึ่งเป็นเรื่องของยลเอียดอันเป็นน้ำล้นต่างนั้นมันชักมันดูงคนทั้งหลายจึงมักจะทำทั่วกันมากทีก่กว่าการทำกรรมดี นี่ละสัตว์โลกทั้งหลายจึงลงทางต่ำมากกว่าที่ขึ้นทางสูงเป็นลำดับมาอย่างนี้เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เชื่อกรรอย่าเชื่อตนเองซึ่งมีแต่กิเลสเครื่องหลอกลวงเต็มหัวใจเราจะถูกต้มตุนจากมันตลอดไปแล้วล่มจมเพราะความเชื่อกิเลสนี่ไม่มีเวลาหยุดยั้งชั่งตัวได้เลยนะให้พากันพยายามระมัดระวังความทั่วความดี ความชั่วเป็นฆ่าศึกสัตรูแต่เราพูดต่อเราผู้ทำเองความดีเป็นธรรมที่เป็นเครื่องอกุลเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเป็นธรรมที่พึ่งเป็นพึ่งตายแต่เราผู้ทำยองขอให้พาคระมัดระวังถึงเรื่องการกระทำให้มากอย่าสักแค่ว่าทำว่าทำการทำลงไปแล้วไมไม่ใช่สักแต่ว่านะ ผลจะติดตามจากการกระทาทุกประโยคไปทั้งการทำดีและทำทั่วจะไม่มีลำเอียงมีเสมอไปอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นคำว่าพิเลสวัตจักก็ดีคำว่าทำจนกระทั่งถึงมีวัตจักรแก้กับอนิพานก็ดีจึงเป็น ทำที่โสโส้อนลอนเป็นที่แลกโสโสลอนลอนเป็นวัตจักรพาชัดโลกไขหมุนเวียนโสโตจนนอนเรื่อยมาและจะทําเป็นฝ่ายดีก็ใครเอื้อมไปทางด้านธรรมะก็จะได้ยืดได้กาะ อ, อาศัยธทำเป็นท่อเป็นที่เกาะที่ยืดแล้วผ่านพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับจนกระทึงถึงจังหวะชัถ่ถึงพระนิพานได้เพราะฉะนั้นคําว่าที่แหลกวัตจักร อันเป็นเครื่องหมุนเยียนในหัวใจของศาสตร์โลกให้เกิดให้ตายตลอดมาก็ดีคำว่าทำนักแต่ทำเพื่อนเพื่อนจนกระ ท, ทั่งถึงนิพพานทำก็ดีเป็นทำสม่าเสมอให้ผลสดสดร้อนร้อนเสมอกันหมดทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของวัดตบนฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของวิวัตประจักรคือฝั่งหนึ่งเป็นเรียกว่าทิเล พาจัดให้หมุนเยียนเปลี่ยแปลงเปิดแจกเก็บตายตลอดมาอีกฝ่ายหนึ่งได้แต่ฝ่ายธรรมผู้สร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่าเอื้อมือเข้าสู่ธรรมผู้นี้ย่อมไปในทางที่ดีเป็นลำดับลำราไปเมื่อมากก่อนนั้นจนสมบูรณ์ุลผลแล้วก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยมราเถี่งการเกาะยึดไปธรรมตลอดมานั่นแหละเพราะฉะนั้นคาว่ากิเลสกับธรรมจึงมีผลเสมอกัน ไม่มีส่วนใดฝ่ายใดว่าคืบว่าล้าสมัยที่ว่าคืบว่าล้าสมัยนั้นมีแต่กิเลสโจมตีธรรมทั้งนั้นแหละกิเลสมีอํานาจในหัวใจของเราว่าหาว่าธรำนี่คืบทำนี่ล้าสมัยไม่สนใจแล้วสนใ จ, จแต่กับกิเลสมันถึงไม่บอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ทันสมัยในการหลอกลวงสรรโลกให้ลงจมนี้ เราก็เชื่อมันอยู่แล้วจำเป็นอะไรมันจะต้องประกาศว่านี่คือธรรมชาติที่หลอกหลอกลวงคือที่เหล็กนั่นแหละเนี่ยเราจึงต้องได้ระวังแล้วขอให้มีความหลักแน่นในศีลในธรรมของเราซึ่งเป็นหลักใจที่จะพาให้เราเป็นอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นในตัวของเราครอบตัวของเรา วงงานต่างๆนี้เมื่อมีศีลธรรมเข้าแทรกแล้วจะสะอาดสะอาดสบงบร่มเด่นไว้ใจตายใจกันได้ตั้งแต่ในครอบครัวจนกระทั่งถึงงานส่วนรวมถึงงานรัฐบาลด้วยอาํานาจแห่งธรรมนี่เท่านั้นจะเป็นธรรมชาติที่ให้เราก็มีความมั่นใจอบอุ่นในใจของเราว่า ด, ดําเนินงานด้วยความถูกต้อง ประชาชนพลเมืองทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวาลก็ได้รับความอบอุ่นเชื่อมทุ่มเย็นในจิตใจนี่หลักธรรมเมื่อแทรกอยู่ในจิตใจได้แล้วจิตใจ ก, า ย, ใกายวาจานั้นย่อมจะสะอาดสะอา้านมีความตื้นปีติในตัวของเราเองนี่คือการปรับพฤตัเวเบื้องต้นได้พูดถึงความประหยัดการประหยัดได้แก่กาความไม่รู้ไม่ลืมเนื้อลืมตัว ให้พออยู่พอจินการอยู่พ อ, พอเหมาะพอสมกับสภาพแห่งความเป็นอยู่ของมนุษย์ดาอยาสร้างจนกระทั่งถึงเอาไปแข่งเทวดาชั้นดาวดึงจนกระทั่งถึงเ ท, เทวดาชั้นหกอรณิวิจารสาวดีนั้นเป็นชั้นของเป็นชั้นของทิพเทวดาที่จะไปเกิดในสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นนั้น แท้สวรรค์เป็นหลักธรรมาชาติไม่มีใครสร้างไม่มีใครทําหากเป็นอยู่มีอยู่มาตั้งกับตั้งกันโดยหลักธรรมาชาติสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นใดก็ตามต้องไปด้วยอํานาจแห่งบุญกรรมของตนมีมากหรือน้อยต่างหลักธรร ม, า ช, าามาชาติเช่นเดียวกัน เ, เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรจะไปแข่งได้เช่นเมืองมนุษย์ของเราสร้าง ตึกรามบ้านทองขึ้นมามากน้อยกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับมันก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายไปเท่านั้นมันไม่ได้เป็นทิพเหมือนอหอปราสาทในชั้นสวรรค์ของผู้มีบุญที่ตนไปสร้างแล้วสาเร็จเป็นหอทิพขึ้นมาในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นนี่เราเป็นมนุษย์อยู่ ความเป็นอยู่ของเราก็าเป็นอยู่แบบมนุษย์ขอให้สร้างตนด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมตามแบบมนุษย์เราก็จะไม่เกิดร้อนวุ่นวายการสร้างบ้านสร้างเรือนถึงกับติดหนี้ติดสินพรลุพะหลังแล้วทำเราให้จมเพราะความฟุ้งเฟอเ้อเหือมอยากมีอยากเด่นอยากดังแซงหน้าแซงหลังกันไปสุดท้ายสิ่งที่ได้มันก็มีแต่ความล่มจมชิบหาย อย่านำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในวงชาพุทธเราอยู่ยังไงพอเป็นอยู่ขอให้ใจมีทำภายในใจแล้วจะสะดวกสบายไปหมดขอประสาทเจ็ดชา้นของคนละของคนบาปสู้กระทบของคนดีไม่ได้นะคนดีมีบุญมีกุศลอยู่ไหนอยู่ได้เมื่อเดือดร้อนเราะใจไม่พาเดือดร้อน แต่คนชั่วช้าลามอก่อโปลีไ่ไถประเภทต่างๆ ส, สร้างแต่บาปแต่กรรมใจตัวเองและรีบไถคนอื่นคนอื่นรามไม่อยู่ประมาณนั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นฟืนไฟมาเผาตนถึงจะมีหอปราสาทถึงเจชั้นแปชั้นให้โลกเขาปรากฏชื่อหรือนามว่าเด่นว่าดังก็าตามมันก็มีแต่ชื่อแต่นาม ส่วนบาปส่วนกรรมที่ทนไปหาก่อโผล่ีไถมาจากที่ต่างๆมาเป็นบ้านเป็นเรือนแล้วว่าเป็นเนื้อหนังตัวเองนั้นมันคือไฟล้วนๆเผาตัวเองนอกจากเผาตัวเองในปัจจุบันนี้แล้วก็ไปเผาอยู่ในเมืองผีนั่นอีกเมืองผีอายุของผียืดยาวยิ่งกว่าเมืองมนุษย์อายุของมนุษย์เป็นไหนๆมนุษย์เหล่านี้อายุ คนหนึ่งคนหนึ่งตอนเราทั้งหลายได้ทราบว่านี่แหละกี่ปี70 80สิบแปดสิกร้ยกว่าปีเท่านั้นก็หมดอายุแต่นี่เป็นอายุของโลกของมนุษย์เราแต่อายุในเมืองผีนั้นเป็นอายุที่ด้วยอํานาจแห่งตําประเภทที่ลึกลับที่ใครตามไม่เห็นและไม่ค่อยเชื่อง่ายๆเลยว่าไปตกในโลกในเมืองผีนั้นกี่กับกี่กัน คนที่สร้างบาปกรรมหนาที่ทนงตนว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับเหมากองทุกทั้งหลายรวมอยู่กับผู้นั้นวันคืนปีเดือนก็เป็นเดือนปีทิพย์ไปด้วยวันคืนปีเดือนของเราตั้งร้อยวันพันวันก็ไม่ได้หนึ่งชั่วโมงของเมืองผีเมืองผีเป็นเมืองที่ยืดยาวดานมาก มากให้สัตว์ตั้งหลายได้ทรมานตนมากมายตายกองนี่คือเมืองผีถ้าเราทําไม่ดีเราจะบอกว่านรกไม่มีก็าตามผีไม่มีก็าตามก็คือเรานั่นแหละเป็นตัวผีสังหารตนเองเป็นไฝ่นรกเขาตนเองเขาจากเมืองมนุษย์นี่แล้วก็ไปถูกเผาในนรกอีกที ที่กับอีกการกว่าจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาคันขึ้นมาแล้วกิเลสบาปกรรมมันก็ปิดไวเสียไม่รู้ร่องรอยพบท่าที่เป็นมาของตนแล้วก็ก็ทำบาปทำกรรมอีกต่อไปก็จมลงไปอีกนี่คือการทำบาปทำกรรมขอพี่น้องชาวูดเราได้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสตาเอกอย่างแท้จริงทุกๆุพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัดสลูขึ้นมาตัดสลูรมของจริงไม่ได้ตัดสรู้ขึ้นมาด้วยความหลอกลวงโลกทั้งหลายยังขี้เลศมันหลอกลวงมาอยู่เวลานี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่คือความหลอกลวงของขีเลศถ้าสัตว์หูใจหัวใจเบา ก, ก็ต้องติดร่างแหมันไปแล้วตกนรกเป็นได้ควรทำนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใด จัดไว้เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีคำที่จะขัดจะแย้งกันแม้แต่พระองคเดียวเลยบรรดาพระเจ้าที่ตัดสลูคำว่าตัดสลูนั้นตัดสลูของจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนับเริ่มแรกตั้งแต่ตัดสลูกิเลสคามาโมใน ด, ดั้งเดิมพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนเรานี่เรียกว่ากิเลสมีอยู่ภายในใจ ความโปรธก็คือเจเรมีอยู่ในหัวใจเผาหัวใจของท่านเหมือนกันกับเผาหัวใจเราราคาตันหาความบิดความวิ่นในตามเรื่องของหญิงของชายต่างๆนี้ก็มีเต็มอยู่ในหัวใจของเราเรานิร น, นแล้วตั้งแต่เป็นปืนเป็นไฟพระองค์ตรัสรูลุคือสังหารสิ่งเหล่านี้ให้ขาดระวับบนไปจากจิตใจความโลภ หมดไปโดยสิ้นเชิงความโลภเป็นธรรมเป็นธรร ม, ามาชาติคือไฟเผาหัวใจสัตว์โลกความโกรธเป็นไฟเผาหัวใจสัตว์โลกราคะตัณหาเผาหัวใจสัตว์โลกตลอดมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมคือสังหารความโลภความโกรธราคะตัณหานี้ให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงและจางแก้งขึ้นมาด้วยโลภะวิถี รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายนับตั้งแต่ทิเลตตัวมืดดำมันปกปิดกำบงังพระไถยคือใจของพระพุทธเจ้าวไว้เมื่อได้ถูกทำลายสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องปกปิดให้แตกกระจายหายไปโดยสิ้นเชิงแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งคือโลกวิถูรู้แจ้งทั้งภายในทั้งภายนอกก็ ป, ปรากฏเด่นชัดขึ้นในพระไถ ของพระพุทธเจา้าทีนี้นอกจากใจ ท, ที่ได้ชิดขี้เหลียดได้ขาดตะบันลงไปแล้วแปนใจที่สว่างที่นี่สิ่งใดที่รอกใจพระองค์ก็ทรงรู้หมดว่าบาปมีบุญมีพระองค์ประจักษ์แล้วในบาปที่เกิดในพระไตรตรองบุญมีบุญที่เกิดในพระไตรตรองด้วยการสร้างความดีตลอดถึงวันนรกหลุมต่างๆมี อาแปดอสุลกาประเภท ต, ต่างๆเต็มทั่วแดนโลกอาท่ามีเทาหวานมีกี่ชั้นสวรรค์มีพรมโลกกี่ชั้นมีนิพพานมีนี่ส่งรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายของสิ่งเหล่านั้นแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาสอนจักโลกคือพวกเราซึ่งอยู่ใน ขั้นหูหนวกตาบอดทางด้านจิตใจจึงต้องนมาประกาศชี้แจงให้ทราบพระองค์แปลผู้รู้เห็นตามหลักความจริงนี่เรียบร้อยแล้วทุกๆุกกพระองค์ว่าสิ่งเหล่านี้มีเคยมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ตาไหนๆไม่ใช่สาอุดพระพุทธเจ้าจะมาอุตตรีว่าบาปมีบุญมีเมื่อสองสามวันนี้และนรกสวรรค์มีเมื่อสองสมวันนี้ ตลอดถึงนิพานนี่เมื่อสองสาวันนี้สิ่งเหล่านี้มีเคยมีมากับโลกตั้งกับตั้งกันต้นหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดตราบสารู้ขึ้นมาก็มาเห็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมนี่แหละแล้วทําลายสิ่งเหล่านี้ที่เห็นว่าไม่พึงปรารถนาะนั้นก็ทําลายไม่ได้เช่นทําลายนรกไม่ให้มีแต่สัตว์ ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาเต็มจัดเต็มส่วนต่อโลกต่อสัตว์โลกทั้งหลายก็ทำลายสิ่งที่เป็นภายแก่สัตว์โลกคือนรกนี่ไม่ได้จึงต้องแนะนำสั่งสอนให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟให้พาการหลีกาการหลีกเว้นด้วยการละชั่วแลวให้ทำที่ในทางที่ดีเพื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพาน ึต้องสอนตามหลักความจริงที่ควรจะเป็นไปได้ต่อสัตว์ทั้งหลายเช่นการละบาสัตว์ทั้งหลายละได้การบำเพ็ญบุญสัตว์ทั้งหลายบำเพ็ญได้ตึงสอนในสิ่งที่อยู่ในฐานะควรจะเป็นไปได้ไม่ทรงสอนในสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะเช่นทาลายสัตว์นรกหรือทาลายนกรกทาลายสัตว์นรก แล้วทำลายสวรรค์จะทำลายอะไรทำลายไม่ได้เพราะสิ่งของนี้เคยมีมาดั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนๆ น, นี่แหละเป็นสิ่งที่สูดวิสัยของพระพุทธเจ้าก็คือการทำลายหลักความจริงที่ไม่มาดั้งเดิมเช่นบาปบุญนรกสวรรค์กุมาโลกนิพพานนี้ทำลายไม่ได้ถึงมีประจําโลกตลอดมากี่กับกี่กันและก็เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว ผู้ทำชั่วก็ลงแดนแห่งนรกผู้ทำดีก็ขึ้นมาอย่างน้อยเป็นแดนสวรรค์จนกระทั่งถึงเสาพรมโลกนิพพานนี่คือหลักธรรมาชาติไม่มีใครจะลบล้างได้เราอย่าให้กิเลสไปหลอกลวงต้งมตุนว่าเราสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่มีลบล้างไปหมดทั้งทั้ ง, ท, งที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมเหนือโลกลบล้างไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียว เราจะเป็นผู้วิเศษี่โสมาจากโลกใดแดนใดจึงจะมาลบร้างสิ่งเหล่านี้ให้ได้แต่เราคนเดียวญาหารชิตจะสร้างความล่มจมงทิบหายแก่ตัวของเราซึ่มันดื้อด้านหานธรรมมันหลาไปด้วยบาปด้วยกรรมพระพุทธเจ้าจำปราพระองค์ใดสอนมามันไม่ยอมรับจะยอมรับตั้งแต่ความหูหนวกตาบอด ดุดันทำตั้งแต่ความชั่วช้าละบมกถ้าเวลาตายแล้วไปที่ไหนคนที่ดุดันทำตั้งแต่ความชัวช้าลำบมกนั่นแหละเป็นผู้ที่จะเหมาความทุกข์ความลําบากทั้งหลายมหารตทุกจะอยู่กับคนดื้อด้านหารทําบาปทํากรรมนั่นแหละเราอย่าหารทำยาแข่งพระพุทธเจ้าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์พรมโลกนิพพานมีนี้พระพุทธเจ้าทุกทุกวงสอนไว้แบบเดียวกันหมด เพราะลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จึงมาสอนโลกอยู่ในซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะควรเป็นได้เราเป็นรูปชาวพุทธขอให้ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์แห่งธรรมนี่เราเป็นรูปชาวพุทธด้วยในเมืองไทยของเรานี่ประการแรกที่สอนในเรื่องนี้ก็คือเริ่มไปตั้งแต่ให้ให้พระยิ่งอยู่พอดีการกินก็เหมือนกันจินหรือรับธรรมมันก็เป็นภาษาอันเดียวกันนั่นแหละ ภาษาเดิมของเราเรียกว่าจริงแต่ภาษาไพละเพราะเพียงประดับประดาล้านเรียกว่ารับทานไปเรื่อยๆมันไม่มีสิ้นสุดนั่นแหละเราตกแต่งลมปากของเราให้เป็นยังไงก็ฟังไปตามลมปากแป่ใจสกรปรกแล้วจะเป็นยังไงมันก็สกรปรกดูที่ใจความทุกใจจะเป็นผู้รับเคาะรับกรรมเหนือการอยู่การจริงการใช้สอยทุกอย่างให้รู้จักประมาณมัธยะ การอยู่การเกินการท้าการสอยที่อยู่ในเมืองไทยของเราก็ขอให้มีหลักมีเกณฑ์อย่าทะยอทะยานหาตั้งแต่อะไรก็อยู่เาืองนอกอะไรก็อยู่เมืองนอกนี่คือการลืมตัวเห็นเราชั่วยิ่งกว่าเขาเห็นลูกเราชั่วยิ่งกว่าลูกเขาเมียเราผัวเราชั่วยิ่งกว่ มีอเขาขัวเขาเห็นชาติไทยเราเลวเกวาเขาจึงวิ่งเต้นตามเขาตามเขาก็วิ่งเต้นไปเรื่อยและเป็นบอยให้เขาทะลุงอา ง, งนตราของเหล่านี้ไปช้าจะหมดอย่างนี้เสียหายอย่าฝากันคิดแต่มากสิ่งที่จําเป็นที่จะเกิดควรควรแลกเปลี่ยนทั้งเขาทั้งเหล่านั้นใครก็ทราบด้วยกันแต่สิ่งใดไม่จําเป็นยาอุตริริเป็นนิสัยที่คึกขนอง นำม า, ายทยิ่งจะเป็นความสังหารชาติไทยของเราให้ด้อยใหลร่มจมลงไปด้วยความไม่ยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของชาติตัเองในสิ่งใดที่ควรเป็นไปในชาติไทยของเราให้พากันขอนขวายหาสมบัติเหล่านี้มาใช้สอยกินอยู่ป่วยเราจะเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นในชาติไทยของเรานอกจากนั้นศีลธรรมของเราก็มีภายในจิตใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราอย่าปต่อ ย, อยาวาง ใจิตใจของเราเรียกร้องหาความสมงบลมเย็นหาความสุขตลอดเวลาแต่เราไม่เคยมองมีตั้งแต่รองความฟุ้งเฟ้อเหง่มดีด้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจงกระทั่งถึงวันหลับนี้จะหาความสุขความจเจริญความสมหวังขั้นได้มามีแต่ความคิดหวังคิดหวังนี่ก็เพราะเราหาเลยเถิดเอากิเลสเป็นผู้หาท่าทาเป็นผู้หาแล้วเราหาตั้งแต่เช้ายันค่า ทำไมเราจะหาความสุขไม่ได้อะไรที่ควรละเราก็ละได้ละตั้งแต่เช้ามาถึงค่ำเราก็ละความชั่วได้มากความดีเราหาตั้งแต่เช้าถึงค่ำเราก็หาความสุขได้สมบัติเกินทองเก้าของหามาได้แล้วให้มีความประหยัดมาทะยานควรจับควรจ่ายก็จับจ่ายตามความจำเป็นยาจ่ายด้วยความฉลูู้สล่าย อย่างนี้ก็ฉีบหายในตัวของเราเองจะตจงกลายเป็นนิสัยไม่ดีนิสัยสรูสลายนี่ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยเรายืดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้สมสมนามว่าเราเป็นชาวพูดคําว่าชาวพูธแป็นผู้รู้จักประมมาและการอยู่การเปลกินการท้าการสอยการสะพืดเนื้อประมฤตัวทุกอย่างจึงเรียกว่าชาวพูดนี่อันหนึ่งนี่เราพูดถึงเรื่องภาคพลวาตของเรา ที่จะปฏิบัติตัวให้มีขอบมีเขตมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันเราอยู่ร่วมกันต้องมีธรรมไม่มีธรรมไม่ได้ท้ากิเลสมันตรูงไปตลอดเวลาแล้วเมืองไทยของเหล่านี้มันจะเป็นเมืองปืนเมืองไฟล่มจมได้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยัง้งไว้บ้างโดยจึงต้องมีธรรมเท้าเครื่อแปงตลอดเวลาทําการงานอะไรก็ตามให้มีธรรมเป็นเครื่องเครื่อแปงอยู่ตลอดเวลา นี่พูดถึงการความเป็นดุในอาชีพของเราอาชีพต้องมีธรรมเป็นเครื่องแท้แสงไม่มีธรรมอาชีพไหนจะทําตัวให้เสียได้ทางนั้นวิชาที่เราเรียนมาจากบ้านไรเมืองไรก็ตามเรียนมาแล้วถ้ามันมีทํเาเข้าเข้าเพื่อแฝงไม่มีธรรมเป็นเครื่องบงการให้พานําไปใช้แล้ววิชาเหล่านั้นก็กลายมาเป็นวิชาฉนุงตัวทําตัวให้เสียหายเพราะควำเย่อหยิ่งเจ้าของมีมาก ถ้าไม่มีทำถ้ามีทำรรแล้วความรู้วิชากลายเป็นผลเป็นประโยชน์ไปหมดคนนั้นก็มีความสมบงบร่มเย็นเป็นความสุขความเจริญนี่วันนี้เจียวเกี่ยวกับเรื่องคารวะที่สอนพี่น้องชาวไทยเราพอประมาณกับเวล่ำเวลาซึ่งสังขารร่างกายดวงตาก็อ่อนลงไปทุกวันทุกวันแล้วการที่เรารักษาธรรมเรารักษาสนานีมีทั้งสองประเภท ประเภทหนึ่งคือประชาชนคารวะซึ่งเป็นลูกศิษย์พระเป็นผู้ทาหน้าที่พลเมืองดีมีศีลมีธรรมประกอบหน้าที่การงานไปด้วยเสียนธรามบ้านเมืองของเราก็มีความร่มเย็นไปสุขนี่ฝ่ายของประชาชนคารวะ ท, ท, ทั่วไปฝ่ายของพร ะ, พระท่านก็ทำงานของพระคือพระนั้นเป็นในในธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่า พระนั่นเป็นสังขังฉนังขจามิพระพุทธเจ้าเป็นพุทธังฉนังขจามีได้ตัดสู้รมแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งทำมังฉันังขจามีนั่นก็ธรรมทั้งดวงพระสงฆ์สาวกตัดสู้รมแล้วก็เป็นธรรมทั้งหดวงมาเป็นชานะที่ยึดที่เกาะอันตายตัวอันอบอุ่นตายใจได้ของเจ้าวพุทธเหล่านี่พระท่านก็อบวชออกปฏิบัติ แล้วท่านก็นดําเนินหน้าที่การงานของพระสําหรับพระนั้นมีหน้าทีเ่เรียกว่าคับแคบหรือมีภาระน้อยยิ่งกว่าประชาชนเพราะตั้งแต่วันบวชมาบาท ก, ก็ใสประชาชนไอบินทวัสดิ์สำหรับชาวบ้านชาวเมืองเข้ามากินวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงแล้วก็ทําหน้าที่ของพระพระในครั้งพุตการกับพระสมัยปัจจุบันนี้เราก็พอจะทราบได้ด้วยกัน ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงจังสอนพระให้ทำหน้าที่การงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อทรงศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุตถ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วมาเป็นสาระของโลกได้ก็ท่านก็สอนให้ทำหน้าที่ของพระบวชแล้วให้ไปอยู่ในป่าในเขานำเมาไทย ตจาจัดพิเลกตัณหาสภาวะคือความโลภความโกรธความหลงราคตัณหามันมีอยู่ภายในใจนี้ให้ออกจากทางด้านจิตใจประพฤติตัวให้เป็นคนดีเป็นลำดับเป็นพระดีมีความอบ อ, อุ่นภายในจิตใจถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องสมบัติวัตถุแล้วท่านไม่มีมีแต่ศีลสมบัติสมาธิสมบัติวิมุติสมบั ต, บ ต, บ ต, บ ต, บตินี้เป็นสมบัติของพระโดยแท้ ผู้วัดนายผู้เรียศาสนามีหน้าที่อันเดียวคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจของตนอยู่ตามฐานที่ต่างๆดังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าลุกกมลเส้นนาสนังนี่เป็นตนเวลาบรระชาวสมวูรเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านตั้งหลายไปอยู่ตามลุกกมลลมไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเมื่อมผา ป, า, าป่าช้าป่ารกชัดกรรจัดกิเลสด้วยความเพียรของตน ต, ตลอดเวลา และจงทำความผู้สาพยายามอย่างนี้ตลอดเวลาเถิดนี่คือพระวานของพุทนเจ้าถือทรงสงรั่งสอนพระพระผู้ท่านตั้งใจปฏิบัติศีลรมตามแนว ท, ทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันที่จะสมงรมากตรงผลได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะสวคธรรมจัดไม่ชอบแล้วไม่ว่ า, วาการนั้นการนี้ มรรคผลนิพพานจะมีการนั้นเสื่อมการนิสุลอาชีอายุของคุณศาสนาร่วมไปเท่านั้นปีเท่านี้เดือนและมรรคผลนิพพานจะเส่อมจะสูญไปอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นสว arga ธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบอยังไงชอบต่ อ, อมรรคผลนิพพานนั่นเองจะไปชอบที่ไหนคําว่าสวรรคธรรมคือตัดไว้ชอบเสมอต้นเสมอปลายผู้ตั้งใจมาพิจารณปฏิบัติ ตามจัิเจต์แม้สมัยปัจจุบันนี้เราอยากเข้าใจว่าผิดกับสมัยก่อ น, อนสมัยก่อนเป็นยังไงท่านตั้งหน้าตั้งตาชาระกิเลสตัณหาออกพากจากจิตใจในฐานที่ที่ควรแกการบําเพ็ญเช่นในป่าเนเขาเป็นต้นถ้าปัจจุบันนี้กิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภประเภทเดียวกันความโกรธประเภทเดียวกันราคะตัณหาประเภทเดียวกันโมหะความหลงก็ประเภทเดียวกัน ธรรมะต่อเป็นธรรมะที่กําจัดกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นประเทศเดียวกันให้ออกจากใจได้ผู้นำธรรมะนี่เปปฏิบัติต่อตนเองชำระร่างตัวเองต้องเป็นผู้สะอาดสาร้างภายในใจิตใจเป็นลาดับดาสา ม, มารถที่จะทรงได้ตั้งแต่ศีลขึ้นไปศีลท่านบวชแล้วท่านรักษาศีลศีล ส, สมบูรณ์ในตัวของท่านองค์ของท่านเองเป็นศีลทั้งองค์เลยดัยงนั้นกะบําเพ็ญสมาธิสมาธิคือความสงบล่อมเย็น ภายในจิตใจได้จากเปิดจากจิตตภาวนาทำจิตตภาวนาให้มีความสงบร่มเย็นภายในใจเพราะจิตใจมีความว่าวุ่นขุ่นมัวทรายแสตลอดเวลาเพราะกิเลสถุดล่าไปหาความสงบไม่ได้คนเราจึงหาความสุขความสบายไม่ได้นิพระบไปอยู่ในป่าในเขาชําระตนก็ต้องชําระสิ่งที่มัวหมองทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจ เมื่อสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจไปลําดับใจก็มีเริ่มมีความสงบเงย็นใจสงบเงย็นใจเรียกว่าจิตก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจความสุขไม่ต้องไปหาที่โลกไหนแหละเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ใจความสุขก็อยู่ที่ใจเราต่อแสวงหาความสุขด้วยความภาคเพียรอยู่ที่ใจนี้แล้วย่อมจะปรากฏความสงบเงย็นใจขึ้นมาจากที่ตั้งขนาการชำระศาสตร์ของไหลโดยลําดับลําดาไป นี่สมาธิสมบัติเราสามารถจักครองได้เช่นเดียวกับครั้งฟุตการเอาปัญญาสมบัติปัญญา ค, คือความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จากทำละที่เลยให้ขาดสวรรค์อวบจากจิตใจซึ่งเคยมัวหมองมืดตื้อมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนกลายเป็นใจที่สว่างกระจ่างแก้งขึ้นมาแล้วก็จางแกล้งขึ้นไปลําดับข้อมหน้าแ่งปัญญาชําระซักก่อทั้งก่อเั้เข้าไปจนกระทั่งถึงมุตดหลุดค้อนขึ้นจากหัวใจ นี่แหละจะไปหลุดพ้นที่ไหนทั้งท่าพุทธการท่านหลุดพ้นจากกิเลสที่ที่หัวใจด้วยความเพียรในทั้งนี้ก็ชําระกิเลสที่ที่มีกิเลสอยู่ภายในใจด้วยความภาคเพียรเหมือนกันผลจึงมีความสม่สำเสมอกันเนี่การประพฤติปฏิบัติตัวศา ส, สนาของพระเดจเจ้านี้คงเส้นคงวาหนาแน่ น, นไปโดยมรรคโนิพาน ถ้ามีผู้นํามาประพฤติปฏิบัติถ้าเราเรียนมาเป็นกระดาษเศษเฉยๆอยู่ในคัมภีร์กี่คัมภีร์มันก็มีตั้งแต่คัมภีร์ของบาปของบุญนโลกสวรรค์ตัวบาปตัวบุญจริงๆมันไม่ได้อยู่ในคัมภีรมันอยู่ที่คนผู้ทําสัตว์ผู้ทำต่างหากการทําทบาปคัมภีร์ท่านไม่ไปทำํทำทําบุญคัมภีร์ในตู้ตู้พระไกรพิโลกก็ไม่ทําไปตกโรกบอกไม่ตู้พระไกรพิโลกเขาไม่ไปตก ไปสวรรค์นิพพานพระไตรปิฎกมัธยโยตุอันนั้นเป็นใจชื่อของบาปของปีนของนรกสวรรค์ผู้ทาบาปทําบุญจริงๆมันอยู่ที่ผู้บําเพ็ญเรานําทํานัน้นเข้ามาปฏิบตัติตามที่เจ้าทรงตัางสอนไว้แล้วว่าเพื่อ น, นําไปปฏิบตัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราถ้าไม่ได้ปฏิบตัติมีแต่เรียนเฉยๆก็จําได้เฉยๆก็เป็นก็เหมือนกับเราจําวิชาทางโลกนั่นแหละเรียนมาเท่าไหร่ก็จําได้ถ้าไม่นา วิชามาปฏิบัติหน้าที่การงานก็ไม่สําเร็จประโยชน์อันใดเรื่องภาสาธนธรรมคุวิจเจ้าเหมือนกรัรมีกี่พระไกรพี่ดกเทียนมาจําได้เป็นโกขุนทองโกขุนทองไม่ตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติมันก็เป็นเหมือนกับแปนบ้านแปนเรือนเรามีกี่แปนเอามาไว้เต็มผับเต็มห้องมันก็มีแต่แปนมันไม่สําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านทองได้ต่อเมื่อได้นําแปลนออกมาตังแล้ว บุกสร้างบ้านเรือนขึ้นมาตามแปนหลังนั้นแปลนชนิดนั้นนั้นแล้วก็สําเร็จผลประโยชน์ขึ้นมาโดยสมสมูรณ์สมมูรณ์แบบอันนี้ทำของพระเจ้าก็เมือ่อก็คือแปนแห่งพุทธศาสนาแปลนแห่งมรรคผนิพพานบาบุญโลกสวรรค์พระมโลกนิพพานรวมยังไงแปนแห่งพุทธศาสนานี้หมดท่านสอนได้หมดท่านเรานําแปนออกมาเป็นภาคปฏิบัติแล้วบาบไม่เคยเห็นเราจะเห็นไม่เห็นที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราตั้งแต่เรายังไม่ปฏิบัติ พอปฏิบัติเข้าไปบาปมันก็เห็นในใจบุญก็เห็นในใจตลอดถึงสมาธิปัญญาวิชาวิมุตต์รุดคน้นกนญีิใจลูก่กุญธิใจเห็นขกุญธิใจหายไปที่ไหนนี่แหละการประพฤติปฏิบัติที่นี่ใจก็เป็นกลยกายเป็นใจทรงมรรคผลนิพพานขึ้นมาเช่นเดียว ก, กันกับครั้งพุทธกาลนี่เพราะเราเอาแบบแผนตาหรับตาราที่เป็นฝ่ายปริยัติมาปฏิบัติตัวเองแก้งออกไปศีลรักษาให้ดีสมาธิบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้น แล้วปัญญาก็าพยายามแก้ไขดัดแปลงซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นเรื่องชําระกิเลสทั้งนั้นก็ชาระออกไปโดยดลํยาดับเวลาจกรทั่งถึงภูมิอันสมบูรณ์คือมรรคนิพพานเนี่ยศาสนาท่านไม่ได้เป็นกระดาษเศษเฉยๆนะท่านบอกไว้นั่นคือแปลนของมรรคนิพพานขอให้นํามาปฏิบัติสิตาม ที่ท่านสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้สมรักผลนิพพานอยู่ที่หัวใจเราเองถ้าเราไม่ปฏิบัติเลี้ยนจมพระไกรพิสดกแบบจมพระไกรพิโดกจนหลังหักก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะแบบแต่ความจําความจำกับความจริงต่างกันความจําจำมาได้เฉลี่ยไม่ถลอกเปล่าเปิดกอกเปลเลยแต่ความจริงนี่เกิดถึงจากภาคปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วศีลเราก็ปฏิบัติตั้งแต่วันที่เราบวชมาแล้วเราก็เป็นผู้มีศีลเต็มตัว สมาธิเราอบรมจิตใจเพราเราให้มีความสงบเย็นใจเต็มตล่อมตัวสมาธิก็เต็มหัวใจปัญญาเราอบรมอยู่ตลอดเวลาก็าชำระกิเลสไปเป็นความสว่างพระจางแก้งด้วยสติปัญญาของเราแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสที่มีอยู่ในหัวใจขาดสั้นไปหมดไม่ต้องถามหาบระนิพพานนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ถามห า, า, าพระนิพพานพระอรหันต์ท่านไม่ถามหาพระนิพพานที่ไม่เป็นพระนิพพานก็คือ กิเลสมันปกคุมหุ่นห่อไว้เช่นเดียวกับสารน้ําบึงน้ําใหญ่ๆบึงใหญ่ๆนี้มีน้ําเต็มอยู่ก็าตามนะมีจอกมีแหนะ่ปกคุมหุ่นห่ออยู่ในสระนั้นเท่านั้นน้ํามีเท่าไหร่ก็มีความหมายมองไปเห็นแต่จอกแต่แหนะก็ว่าน้ําในบึงนี่ไม่มีความจริงจอกแหนะ่ปิดเอาไว้ถ้าเปิดจอกแหนะไปแล้วมันก็นมองเห็นน้าเองอันนี้ก็ว่ามรคนิพพานไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, ม, ม, มีมีแต่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับจอกกับแหนะปกคุมหัวใจ เต็มไปหมดมีแต่ความโลภความโกรธราคพาัตัณหาซึ่งเป็นเหมือนกับดอกกําเหน็จปกคุมอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดอยู่ในหัวใจของเาแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนก็เราไม่สนใจมรรคผลนิพพานสนใจไปตั้งแต่เรื่องที่เหลือตัณหามันก็มีแต่พื้นที่แต่ไฟเผาไหม้ไปทั่วโลกดินแดนไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์ปนร้อนพอเราเอาไฟขี้เราเองด้วยความขนองของใจไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเข้ายับยั้งครับสักศอกนั่นเองอยังขอยพากันตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ ชาศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยมรรคผลมิพรานสมบูรณ์แบบตลอดมาถ้ามีผู้ปฏิบัติถ้ามีผู้ปฏิบตับติแล้วก็ไม่มีความหมายหลายแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนยูไม่มีผู้ปฏิบตัติมันก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละเป็นพ้าก็เป็นโมฆะที่ถ้าตั้งใจปฏิบตัติทําเป็นสวรรคธรรมอกาลิโกคงเส้นคงวาไม่มีการสถานที่เวลาเวลามาตัดทอนได้ไมีตั้งแต่ ความส ม, ม่ำเส ม, มอด้วยธรรมล้วเอื้อมมือไปทางไหนให้มันก็เป็นธรรมทางนั้นนี่จึงขอเยีย น, พ, น, ย พ, น, น, นพี่น้องทั้งหลายทราบหลวงตาก่อนที่มาจะมาเป็นผู้นําเขาพี่น้องทั้งหลายนี้เอาจนกระทั่งรอดเต็มรอดตายมาวันนี้จะเปิดทำให้พี่น้องทั้งหลายทราบที่มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเรื่อยมาเป็นเวลา50สิบกว่าปีนี้แล้วเป็นธรรมทั้งหลายที่สอนมาเหล่านี้นะสอนมาด้วยความแม่นยำของผีเพราะออกจากภาคปฏิบัติ นับตั้งแต่เรียนหนังสือจบลงไปแล้วตามความป่าสนามตัวเองคือตั้งใจตัวเองว่าเรียนจบสาประโยคแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานเท่านั้น <c oughs> พอเจ็บตองนั้นแล้วก็ออกปฏิบัติมีหลวงปู่มั่นเป็นสนามไทยอันใหญ่หลวงเป็นโรงงานอันใหญ่โตสําหรับจิตทาให้แก่รนดาลูกจิตต้องอาสังขัยไปได้ยินไปได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านแล้วถึงใจถึงใจออกมาปฏิบัติตามจิตเละตั้งแต่พรรษาแก็บ จงกระชางวันนี้เป็นยังไงพันสายเกตเนี่ยเรียนจบประโยชน์สมพันสายเกตส่วนหนังสือทางโลกนั้นหลวงตานี้ได้ประโยชน์ได้ได้ผทมสามเนี่ยหลวงตาปอสามซึ่งกำลังเทศอยู่เวลานี้เนะี่ยจากนั้นก็ออ ก, กรเรียนหนังสือทั้งทางโลกทั้งทรรมตัดกลมกันไปไม่มีขั้นมีภูจงกระช่างออกปฏิบตัติอันนี้เมื่อออกปฏิบัติไป สนใจต่อตอดต่อทำต่อมรคนิพานอย่างยิ่งเขาไปปวดเรื่องความสงสัยทั้งหลายจากหลวงปู่มั่นนั่นเองพอ <c oughs> ไปถึงท่านก็เหมือนกับว่าท่านมีเรดารจับไว้แล้วเนื่องจากว่าเรามีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจที่ต้องการมารคนิพานผู้ไทยเต็มเน็ดเต็มหน่วยว่า <c oughs> เราขอเป็นพระลหันเท่านั้นในชาตินี้เราจะ ไม่มาเกิดตอไปอยังทั้งที่มีกิเลสแต่ควมุ่งมั่นนี่จะสังหารกิเลสให้กาดสัมพันธออกจากใจคล้องผดานขึ้นมาตอนนั้นจึงซอแสวงหาครูอาจารย์ที่แม่นยําแฟนที่แน่ใจของเราก็ไปหาหลวงปู่มัน่นพอได้ถึงท่านเท่า น, นั้นเองท่านก็เหมือนว่ามีเรดาร์จับไว้เลยว่านี่มาอะไรฮะเออท่านมาหามผลนิพานเหรอดินฟ้าอากาศไม่ใช่มหาผลิาพานพระแดบดินลมไม่ใช่มหาผลิพาน สิ่งต่างๆทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงอยู่ที่ใจนี่ท่านลงที่ใจที่ใจท่านไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนหาที่ใจที่เลสที่ใจกิเลสมันปิดมรรคผลนิพพานไม่ปรากให้เปิดที่เหลสออกด้วยการบําเพ็ญภาวนามีกิจตภาวนาเป็นน้ำพัดพอได้รับนี่พูดถึงเรื่องความถึงใจไม่พูดมากเอาย่อๆให้พอดีกับเวลาเวลา พอดพูดฟังธรรมาจากท่านอย่างถึงใจถึงใจประหนึ่งว่าเวลาท่านเทศถอนเราเหมือนดึงออกมาจากหัวใจแบกมาใส่มือให้เห็นว่านี่น่ะเห็นไหมนี่น่ะเห็นไหมมรรคผลนิพพานเห็นไหมท่านไปหามารรคผลนิพพานที่ไหนเหมือนอย่างนี้อย่างนี้ก็ถึงใจจากนั้นมาก็ขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยจ้างขอไปจากพี่น้องทั้งหลายการนั่งภาวนานี้เรานั่งจนกระทั่งถึงโก้นแตกนั่นสิตั้งสิ เคยมีไหมพวกเราที่นั่งภาวนาจนก้นแตกมันมีตั้งแต่หมอนแตกเสื้อแตกนั่นแหละไปที่ไหนถ้าจะว่าภาวนาอนหังสมาธิโตไม่จบแล้วก็คิดถึงหมอนแล้ ว, ลวหมอนแตกหมอนแตกเสื้อแตกเสื้อขาดไอ้ที่จะนั่งภาวนาจนก้นแตกก็ไม่เคยมีแต่สําหรับหลวงตาบัวนี่พูดจริงๆพูดเพื่อเปอิดความจริงแห่ง ทํำคำวิจเจ้าตลอดมาโคนิพานนี่พป็น้องทั้งหลายจากคนที่จะปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถเป็นที่พอใจหายตรงไขแล้วในโลกทาตนี้เราไม่สงสัยสิ่งใดาการจ้างนั้นมาก็ก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสนั่งภาวนานี่ยฟาดตั้งแต่ยังไม่คํำจนกระทั่ง ว, วันสว่างจ้าขึ้นมาวันหลังวันหลังเอาจนกระทั่งขนาดนั้นไม่ทราบว่ า, า ก, กี่คืนกี่คืนแต่ไม่แต่ไม่ซ้ำพัน คือไม่ติดกันเว้นสองคืนสามคืนนั่งภาวนาฟาดซะจงกระทั่งถึงที่แรกมันก็ไม่แตกแนั่งคืนแรกตลอดรุ่งออกร้อนต้นอ่าหลังจากนั้นมาก็ออกพอออกร้อนแล้วมันก็พองก็นั่งไม่ถอยนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งจะเอามะากนุนิผ่านให้ได้หลายครั้งหลายคนออกแกับคลองก็แตกออกแก้วแตกก็เละนี่นี่ละการ ต่อสู้กับกิเลสถึงจะขั้นเป็นก็เป็นถึงขั้นตายก็ตายลงแน่นั่งตั้งขะใจฐานแล้วว่าตลอดรุ่งถึงจะลูกเมื่อไม่ตลอดรุ่งไม่ลูกจะเป็นก็เป็นตายก็ตายซาดกันใหญ่นั่นแล้วสติปัญญาเวลามันมาตัวแก้กิเลสมันแก้เวลาจนจบประมูลคนเราจะตายมันต้องหาทางดิน้นทางดี้สติปัญญาก็ดีดิ้นหาทางออกสุดท้ายก็ได้กํากลังวังชาอันใจหลวงขึ้นมาทุกคื่น ในคืนที่นั่งตลอดรุ่งนี้ไม่เคยมีคืนไหนที่ผิดพลาไปว่าเราไม่ได้ทํามัศจั๋งภายในหัวใจของเราในคืนวันนั้นลงเวลาพิจารณาด้านสติปัญญาคืออริยสัจเป็นหินรับปัญญาอ่ะอริยสัจความทุกข์ความทรมานทั้งหลายนี่เป็นหินรับปัญญาฟาในนิจิตลงสว่างจ้าขึ้นภายในขึ้นภายในทุกขืนไม่มีขาดไม่มีแว้นที่ว่านั่งตลอดรุ่งไม่เคยได้รับความมาสจั๋์ ที่จิตโลงงยังสะบ้านหันแหลกเป็นแบบอัศจรรย์อย่างนั้นไม่ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีได้ทุขืนทุขืนนีน่ละการปฏิบัติธรรมเมื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วเห็นมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่บทงบันนี้จากนั้นก็จิตก็สงบเป็นหินไปเลยพอเพราะอะไรเพราะจิตมีความสง่างามภายในใจอยู่ที่ไหนสบายบดในต้นไม้ภูเขาในร เงื้อมขาที่ไหนก็ตามมันไม่สนใจกับสิ่งสต่ายๆเหล่านั้นมันมีแต่ความภาคภูมิใจในหัวใจที่เต็มไปด้ยตัดด้วยอดด้วยทำความเอิบอิ่มจากหัวใจที่เกิดขึ้นจากการเภาวนาของตัวเองแล้วมีแต่ความลื่นเริงต่าจากนั้นก็ก้าวถึงด้านปัญญาปัญญานี้และปัญญานี้สําคัญมากนะสมาธินี้จะอยู่เต็มภูมิเหมือนน้ํำเต็มแก้วน้ําเต็มโอ่งเมื่อสมาธิเต็มภูมิจิตนี้จะ เต็มภูมิขนาดไหนในภูมิสมาธิก็ไม่เลยภูมินั้นต้องเปิดกันออกทางด้านปัญญาเมื่อออกทางด้านปัญญาสติปัญญาออกแล้วทะมีกิเลสตัวไหนอยู่ที่ไหนมันก็สามารถมองเห็นมองเห็นประจักษ์ภายในใจิตใจเอาที่แรกกับประจักษ์กิเลสภายในหัวใจของเจ้าของเจ้าก่อนด้วยสติปัญญาเหล่านีา้แค่ทั้งกิเลสสิ่งที่เกี่ยวข้อง <c oughs> อยโยงระยางไปกับจิดตดวงนี้จนกระทั่งถึงพวกเปกพวกผีนรกอวิชกีไม่ต้องบอก มันกระจ่างขึ้นกับผิดดวงนี่ที่สว่างไสวออกไปแล้วทั้งค่าเิเลสทั้งเห็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจมีภูมิเต็มกําลังโดยลําดับลําดาเท่าไหร่สิ่งที่เคยมีมาดั้งเดิมซึ่งเราไม่เคยเห็นแต่ก่อนมันก็จางแก้งขึ้นมาเกเรก็กระจ่างแก้งขึ้นมาไม่ว่าตัวหยาบตัวชั้กนกลางขั้นละเอียด ข, ข, ข, ข, ของเกเรขาดสะบัดลงไปลงไปลงไปันที่ว่าแบบพขาบอกพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรก ว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมันที่เวลามันกระจ่างไปแล้วสุดวิสัยที่ไหนมันเห็นด้านจังอยู่กับหัวใจพระพุทธเจ้าอะไรมาเห็นสิ่งไม่มีเห็นได้อย่างไรทีนี้เมื่อมันมีในความรู้ของเราก็เป็นนักรูก้สม่วรที่จะรู้จะเห็นแล้วปิดกันได้อย่างไรมันก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาจนกระทั่งหายสงสัยนี่เราพูดเอาสรุปความไม่กน้อทั้งหลาย ในผลต้องการปฏิบัติที่สลับเป็นสละตายมาก่อนที่จะมานําพี่น้องทั้งหลายนี่มาแบบนี้นะมาแบบสลับตายมาฆ่ากิเลสนี้เอาให้ตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่า น, นั้นเราจะครองความเป็นบริหารอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอานี่แหละเมื่อเป็นฉะนั้นความเพียรมาถึงเด็ดขาดทีเดียวเป็นตายไม่ว่าเฉะนั้นอาหารนี่เป็นสําคัญาการอยู่ภาวนาในป่าในเขาส่วนมากจามักจะอดอาหารนั่นแหละ คือข้าฉันให้มันอิ่มน้ำส้ำราญความขี้เกียจก็มากความขี้เกียจที่คลานก็มากการนอนก็มากทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเป็นเรื่องครอบคูลกิเลสมันมากามากเพราะอันจึงตัดอาหารลงไปอยากขันก็ฉันไม่อยากขันก็ตามกี่วันก็ตามแต่การภาวนาไม่หยุดหมุนติ้วติ้วตลอดเวลายิ่งเทินในทางด้านภาวนาค่ากิเลสจนไม่มีวันมีคืน มันไม่หลับไม่นอนนี่เห็นไหมทําเวลามีกําลังกล้าลงไปแล้วมันไม่ได้ะตะเกียบตะกายเหมือนแต่ก่อนนะอย่างเราทั้งหลายนี่ยังไม่เคยบําเพ็ญทำมันก็ต้องตะเกียบตะกายว่าจะทําบุญให้ทานทั้งตนี่ทีเหนียวมีเงินห้าบาทมีเงินห้าบาทแย่งกันวันยังคําที่จะไปทําบุญให้ทานสัก สักสิบลึงนี้มาแย่งกันบางแย่งนี้วะดีสู้สู้กิเลสตัวตนีทีเนี้ยมันเอไปกินหมดทั้งห้าบาทหายไปไหนะไม่รู้แต่ว่าจะเอาไปสมุนให้ทานนี่หบาทนี่แย่งกันสิบกระหลึงสิบหลึ ง, ส, ลง ส, สุดท้ายก็อย่างมากได้สิบกลนี่เวลาฝึกขัดทําคุณงามความดีบ้างตน้นมันฝืดมันเครื่องมันมืดมันดำมันไม่อยากให้ทานการเสียสละเพื่อสมูลให้ทานเหมือนจะเอาไป ทิ้งลงเหวลงบอ่อแต่เวลาให้กิเลสไปคืนนั้นมีเท่าไหรหมดหมดที่ยงหมดในกระเป๋าไม่มีแล้วยังจะหามาอีกมาอีกไม่มีคําว่าเสียดายถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาไปใช้ไปถลุงเป็นอย่างนั้นนะนี่อำนาจของกิเลสมันมากเป็นอย่างนั้นทีนี้เราเราต่อสู้กับมันเรื่อยๆมันไม่อยากให้ฐานเราให้ทานเอาต่อไปสู้กันไปสู้กันไปการให้ฐานก็มีกําลังขึ้นมาการตอดแสวงหาบุญมีขึ้นมาการเสียสละเริ่มขึ้นเริ่มขึ้น ต่อไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้สมุนให้ทานอยู่ไม่ได้น ะ, ะมันขัดมันคล้องในกิเลใจเพราะอํานาจแห่งทานเตือนให้เรารู้เนื้อรู้ตัววันไหนไม่ได้ทานวันนั้นรู้สึกไม่สบายเช่นเราเคยใส่บาตรวันละองค์ละองค์สองค์ก็ตามวันขาดวันนั้นไปรู้สึกเสียอกเสียใจนี่คืออํานาจแห่งทานเตือนแล้วเตือนแล้วขั้นต่อมาก็แข็งกล้าขึ้นไปดัมดําดับเช่นนี้วันหนึ่งไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้ น, ะนี่เป็นอย่างนี้แหละแล้วเรื่อยๆไป จงกระทั่งถึงการบำเพ็ญภาวนาถึงเวลาที่แรกก็เวลาแรกๆ ก, ก็มันก็ล้มลุกคุกขานการภาวนาสู้หมอนไม่ได้ภาวนาไปหมอนฟาดลงตกตูหมอนแตกนะไม่รู้สู้กันไม่ถอยต่อไปมันก็มีกำลังขึ้นมาสมาธิความสงบเย็นใจมีขึ้นมาเพิ่มฟูม้นความภาคเพียรใน ห, หนาแน่นขึ้นยิ่งมีปัญญาเฉลียวฉลาด ค่ากิเลสเป็นเริ่มลดับลาดาไปด้วยอํานาจของปัญญาปัญญาไปเรื่อยจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัตินี่พอถึงขั้นนี้แล้วไอ้เรื่องความขี้เกียจที่ขั้นในการบาเพ็ญเพียรในการชำระในสารสิทธิ์ไม่มีมีตั้งแต่จะให้ท่าเดียวจะให้ท่าเดียวจิตใจเมื่อถึงขั้นที่จะจะหลุดจากพ้นจากกิเลสตัตหาสวาแล้วหมุนตัวเป็นเตียวเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่มันหมุนอยู่ในหัวใจของสัตโลกเป็นอัตโนมัติชั้นใด ทำที่มีอยู่ในใจของเรามีกําลังมากแล้วก็มูลกิเลสขาดสะบัน้นขาดสะบั้นไปเป็นอัตโนมัติฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้มีธรรมะําขั้นอัตโนมัติแล้วจึงว่าความเพียรถอยไม่ได้เลยเรียกว่าความเพียรกล้าต้องล้างเอาไว้ไม่งั้นมันจะเกิดเปิดเปล่อไม่หลับไม่นอนนี่คือความเห็นภัยแห่งความทุกข์คือความเกิดตายของตัของที่ตายซ้ําๆตักๆกๆีด ก, กับกีดกันมาได้เห็นประจักษ์ในหัวใจ แล้วความเห็นคุณค่าอย่างทำที่จะหลุดพ้นไปนี้ก็หมุนติ้วติ้วเช่นเดียวกันแล้วมันจะหลับจะนอนได้ยังไงพ้นถุกเสียเดี๋ยวนี้ดีกว่าที่จะมาห่วงเสือห่วงหมอนมันก็หมุนติ้วติ้วนี่แหละนี่พูดแล้วขอพี่น้อง่าได้ทราบนี่แสดงได้ปฏิบัติมาอย่างนี้จริงๆพอทําถึงทำขั้นนี้แล้วเรื่องความที่จะหลุดพ้นจากทุกนี้อยู่ชั่วเอื้อมนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอืมฟาดประสุตมาทั่งถึงเอ้ายกให้เต็มนี้แหละเหนี่ยวเลยถึงขั้นเต็มภูมิแล้ว ที่นี่อาิเลตขาดสะบ้านออกไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือกระจ่างแก้งขึ้นภายใน จ, ใจิตใจวันหนึ่งว่าโลกธาตุไหวไปหมดเลยนี่เพราะกิเลสขาดสะบ้านออกจากใจจิตใจดีดขึ้นมานี้เป็นความสว่างกระจ่างแก้งไปหมดครอบโลกธาตุท่านทั้งหลายเชื่อไหมทาพระพุทธเจ้าที่ว่าอาโลกุตปานี้ สว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีมืดมีแจ้งไม่มีการเวลาพระธรรมกับใจเป็นอเดียวกันแล้วสว่างทั้งวันทั้งคืนความรู้เป็นอันเดียวกันทำเป็นเดียวกันเมื่อถึงกันแล้วใจดวงใด้ก็ต้องสว่างา ก, ก็จ่างแจ้งเหมือนกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วถามพระพุทธเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรถามหาอะไรพระสงฆ์สาวกถามท่านทําไมสันติโกปฏิบัติ มาเต็มผงก็ต้องรู้ด้วยตัวเองด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติตัวเองนั่นแหละนี่ก็ได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบผลอย่างการปฏิบัติตามาศาสนาไม่ใช่เป็นกระดาษเศษนะกระดาษเศษเพราะคนไม่สนใจปฏิบัติต่างหากเหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนมีอยู่เต็มห้องมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่แปนเท่านั้นมีาศาสนาก็มีแต่แปนเต็มกำภีใบลานถ้าเรานํามาปฏิบัติมันก็เหมือนเรานํำแปน ขั้งหลายออกมาปลูกบ้านปลูกเรือนจเจ้ากี่ห้องกี่หับกี่ชั้นกว้างแค่พนหนไหนแปนบอกไว้เรียบร้อยแล้วนี่แปนคือสาท่านทำของพ่านเจ้าตามตำตรเวลาท่านบอกไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเรานํามาปฏิบัติให้เต็มตามภูมินั้นแล้วทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นท่านเจ้าสอนเพื่อรู้ให้เพื่อเห็นจริงๆทําไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นได้มันต้องรู้ไม่เห็นยังเรียกว่าสวกะทำตัดไว้ชอบแล้วเราก็ตัดไว้ตัดไว้เพื่อรู้พ่อเห็นแก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันไม่ได้ตัดไว้เพื่อหมฆาหมพระหลอกโลก เป็นกระดาษเศษอยู่เฉยๆพวกเราทั้งหลายเวลานี้มันจะกลายเป็นกระดาษเศษนะ น, นะถือพุทธศาสนาถือเปลี่ยนพิธีพิธีตั้งใจจะปฏิบัติตัวเองให้เป็นความสุขความสบายเย็นใจบ้างไม่สนใจมันไปที่ไหนมันจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกดินแดนทั้งเผ่าทั้งเหล่าไปที่ไหนหาความสุขไม่ได้มันทำไมจึงหาไม่ได้ก็ไม่หาความสุขมันหาแต่ความทุกข์ตามหน้าของจิตเรามันก็เผาหัวใจของคนผู้หาความทุกข์มาแล้ ถ้าสสแสดงหาธรรมแล้วต้องเป็นอดเป็นธรรมขึ้นมาวันยังทําะแนนวันนี้ได้แสดงธรรมถึงผ้าปฏิบัติตามฐานธรรมได้ผลเป็นที่พึงพอใจหลวงตาหายสงสัยแล้วสําหรับโลกวันนี้หลวงตาไม่สงสัยการช่วยพี่น้องทั้งหลายเราช่วยโดยความเมตตาล้วนๆเราไม่มีการแบ่งชั้นบ่งส่วนอะไรอะไรเลยสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้เรารับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีการด่างพร้อยไม่มีมลทินในการเก็บรักษาก้องเรา สมบัติพี่น้องท้งหลายบริจาคมามากน้อยนี้เต็มภูมิเต็มภู ม, ม, มิด้วยความไว้สูทธใจมีเมตตาครอบเอาไว้ครอบเอาไว้เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายที่บริจาคมาขอให้พี่น้องหลายตายใจเลยหลวงตาบัวนี่ไม่เอาอะไรแล้วในโลกวันนี้ปล่อยหมด3มเดือนโลกฐานนี้ปล่อยมาแล้วเป็นเวลาห1าปีนี่แล้วฟังที่ห้าเอดปีตั้งแต่วันกิเลสขาดสันลงจากหัวใจบนหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร วันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มพอดีนั่นเป็นเวลาที่กิเลสกับหัวใจขาดสะบั้นจากจากการก็หนึ่งว่าโลกธาตุไหวหมดนั่นจิตใจได้สว่างจ้าขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นตรงมาทั้งบันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้สงสัยแต่อย่างใดเลยจึงแนะนำธรรมที่เป็นที่พอใจแล้วกับสาสนาธรรมที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้องพร้อมกับบรรจุมรรคผลนิพพานให้แก่ผู้เจ้บัดเต็มเมตเต็มหน่วยเรื่อยมา เราก็ลังปฏิบัติจนหายสงสัยที่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีหรือไม่มีเราไม่สงสัยเลยแล้วกล้าพุทธเจ้าราบเลยรากเลยแล้วพวกเราเวนชาวพุทธใครยังอวดเต่งยิ่งกว่ า, าพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแล้วพากันกอบโพตั้งแต่บาปแต่กรรมด้วยความสกปรกโซมมวิธีการต่างๆนั่นเหลือนั่นเหลือจะพาไท่านทั้งหลายไปพ้นจากถูกนั่นแหละคือฟืนฟืนไฟมันจะเผาพวกเราทั้งหลายสุภิญญาพูธให้จมให้จ ม, จมถ้าเชื่อพุทธเจ้าให้เชื่อสนะ ถ้าเราเชื่อกีเลรเราจะจมไปอีกตลอดเวลาเราจะกล้าหาญต่อท่านพูดจอมเป็นตามปราดฉลาดแหลงผมไม่มีใครที่จะรู้หลักนักปราดฉลาดแหลมผมยิ่งกว่าศาสด า, า, าองค์เอก เ, เรามันเอกตั้งแต่เอกมีตาข้างเดียวละสิตาข้างเดียวถ้าหว่าตาข้างหนึ่งมันมันบอดอเสียตาบอดอีกยิ่งไปไม่มีแบบคุณนรกตะวั น, นตายแล้วจมเลยจมเลยให้เราเลือกเสียตั้งแต่วันนี้เวลานี้ชีวิตยังเป็นอยู่เราอย่าลืมเนื้อหลืองตัวนะ เกิดมาแล้วหยาบเพลินกับดินฟ้าอากาศเฉยๆซึ่งมีมาดั่งเดิมแล้วให้พิจารณาตัวความบกพร่อด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางดีและชั่วในตัวของเราเองให้รีบแก้ไขตั้งแต่บัด น, นี้บาปเป็นบาปบุญเป็นบุญมาตั้งแต่กับไหนกําไหนอย่าไปลบล้างถ้ามายากสังหารต้นเองทั้งเป็นนะเผาทั้งเป็นและเผาทั้งเมืองผีสมควรแก่เราได้ยังไงเราเป็นมนุษย์ความฉลาดแหลมคมใครจะเกิดมนุษย์ศาสนาทำท่านว่าไว้กับมนุษย์ทําไมจึงเอาไว้ถลุงให้เป็น ที่หมูลาที่มาแห้งไปเสียแล้วก็พลอยเอามูดเราพูดขึ้นมายกย อ, กยอกแกนเสิร์ฟขึ้นมาเป็นทองคำรรทั้งแดงนั่นแหละคือมันจะเขาหัวใจเราให้รู้เสียตั้งแต่วันนี้การแสดงทำในวันนี้ท่าสันก็รู้สึกว่าค่อยอ่อนเพียรลองเพียก็ไม่ไม่ยังไม่พอกับการแสดงธรรมที่ควรจะให้ได้กว้างของลึกซึึงยิ่งกว่านี้ก็เวลาเวลาก็มีเป็นไปของเขาแต่ท่าสันนี้ไม่ค่อยอํานวย วันนี้พี่าน้องทั้งหลายพอจะเข้าใจไหมเรื่องศาสนาพุทธของเราไปเอนศาสานาตุกตาเครื่อเล่นของเด็กหรือไปศาสนาที่แท้จริงทรงมักทรงผลขอให้ฟังไปทางนี้ลวงตาบั ว, บวตัดคอเรามาพระุทธเจ้าแล้วเราไม่มีอะไรสงสัยที่ศาสนางองค์เอกต่อไปแล้วว่าในแง่ไหนมุมใดว่าจะบกพร่องไม่เป็นความจริงไม่มีเลยมันวัตตาแก้ในหัวใจของเราเองบาบุญนรกสวรรค์ไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าก็ไม่ทูลถามท่าน ไม่ถามเพราะอะไรมามกระ่างแกล้งใจเป็นนักรู่สิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ตามสภาพของวันใจเป็นนักรู้ทําไมจำจะรู้ไม่ได้พี่เจ้าไม่รู้สอนโลกก็้ยังไงก็เมื่อทาเป็นของจริงอยู่เสมอกันแล้วมันก็ต้องรู้ได้ตามกําลังความสามารถของตัวเองแล้วทำไมจะพูดไม่ได้นี่เราจึงนํามาพูดโดยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยประจักใจของเราไม่สงสัยใครจะเชื่อไม่เชื่อเราไม่สนใจกับใครเพราะเราไม่ไดหวังเอาความแพ้ความชนะความได้ความเสียจากผู้ใด เช่นมันนำทำมาสอนโลกเราก็ไม่ได้นำมาเพื่อความแพ้ความชนะเพื่อความได้ความเสียเพื่อเพื่อความกล้าความกลัวขรับผู้ใดเรานำมาด้วยความเมตตาล้วนๆต่อโลกทั้งหลายที่ตะเกียกตะกายมาเนี่ยก็ได้เห็นผลตามที่เป็นมาแล้วขอพี่น้องทั้งหลายได้ตามคนต่างผ้าภูมิใจในการปฏิบัติเนื่อประเัติตัวของเราให้มีบุญมีบาปติดใจบางนามไม่อย่างนะงั้นมันจะตายทิ้งเปล่าๆแล้วนะ พักจะตายแล้วจึงไปนิมนต์พระมากุษลาธรรมะกุษลาธรรมะอุษลาธรรมไวยเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับกุษลาธรรมะตายแล้วจึงถึงจะไปนิมนต์พระมากุษลาธรรมะถ้าอย่างนั้นศาสนาก็มีความหมายอะไสิกระวัดพระไว้หลวงตาไว้ตามบ้านตามเดือนจะแห่งพระองค์พระองค์ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรเอาสร้างลงไปบาปอยากสร้างบาปขนาดไหนสร้างลงไปเพราะมีหลวงตารับรองอยู่แล้ว พอตายแล้วก็ไปนิมนต์หลวงตามาปุสลาธรรมายนายกอเนี่มันไปไหนหนามันไปไหนหนามันจะไปไหนมันลงนรกน่นตั้งแต่หลวงตาก็ไม่รู้รกุสลาธรรมามันเกิดผลประโยชน์เลยให้สร้างเสียเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่นะชีวิตของเหล่านี้เราเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของก็ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากความทรมานตลอดมาแต่ใจไม่เคยทิพหายใจไม่เคยตายจึงต้องได้รับเคราะรับกรรมตลอดมาดังที่เรารูเ้เร็นองแบบนี้ห้รีบแก้ไขแจะแปลงทั้งดีเมื่นี่นะ ตายแล้วจะบูชาตมาไม่เกิดประโยชน์อะไรนะต้องแก้ไขดัดแปลงตัวเองตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี้แล้วจะเป็นที่ปผงใจสําหรับเราการทําบุญให้ทานเมื่อถึงของมีอยู่ยาตันีที่เหนียวความตนันีถี่เหนียวนี้จะพาเราให้จมแน่ๆนะการฉละไปนะฉลาออกที่ทีเ่กเจกุศนแลเจตนาเป็นบุญเข้ามาสู่ใจแล้วเข้ามาสู่ใจแล้ววัตถุทานไปเป็นตระ โ, ย, โยแก่ท่านผู้ใดก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นไป แต่สําหรับผลทานที่เกิดขึ้นจากการบริจาคของเราเนี่เข้ามาสู่ใจของเราสู่ใจของเราเรานี่ยอันนี้เราจะพาเราไปสวรร น, นี่ผ่านนะไอ้ความตน้นหนีมันจะพาให้เราจมให้รีบรู้เสียตั้งแต่วันนี้ให้เชื่อบูริเจ้าอยาเชื่อตนจนเกินไปนการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแ ก, ก่ท่าแ ก, ก่ขันกําลังวงังชาการเทศน์ะว่าการหนับเบาเมื่น้อยโอ้แสดงไปตาม หลักธรรมชาติแห่งธรรมตามภาษาของพระของพระป่าหนึ่งไอ้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปพิจารณาภาษาของธรรมกับภาษาของโลกต่างกันภาษาของโลกมีการดัดแปลงแก้ไขประเภทต่างๆจึงเป็นภาษาที่ประดับล้านไปมีแต่ความสวยความงามภายนอกเพราะเพิ้งแต่ข้างในที่หมูที่หมาเต็มอยู่นะนั้นไม่มีใครทราบได้นะแต่ภาษาของธรรมนี้่ลงไปลง ม, มาตลอด เพราะฉะนั้นภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสจึงผิดกันดังที่แสดงให้ฟังเวลานี้แล้วขอวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายของเราได้มีความสุข ก, กายสบายใจท่านทั้งหลายมีความปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมก็ขอความปรารถนานั้นจงสาเร็จ แต่เรื่องความปรารถนาอยากมีผัวมากมีเมียมากหลองตาขอบินสบายอย่านำมาใชา้เมืองไทยของเราจัดจมไปด้วยสนามหากัดกันการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรในเวลาขอความสวัสดีก็มีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอด